พระ อ, องค์บรรลุถึงความเป็นพุทธะเพราะพระ อ, องค์แทงตลอดพระธรรมแล้วพระ อ, องค์ก็เอาพระธรรมนั้นมาไหมมาเป็นเครื่องกําจัดภัยให้กับเราสัตว์เมื่อพระธรรมนั้นเข้าสู่กระแสขันของสัตว์สัตว์ก็ทํากระแสขันตนเองบรรลุจากความเป็นบุรุชนเป็นอริยเป็นสังฆะพระรัตนตรัยเลยไปรวมกันอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นคือความกะจัดทุกเคยพูดไปแล้วตรงนี้ยนี่นะ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 ปัญญาของเราน네่รับสมบัติของพระเจ้าได้น้อยก็ขนาดเอาสี่ห้ามาบอกโอ้โหมากเงินเนี่ยใช่ไหมเห็นหรืยังว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกำลังน้อยอ่ะไม่สามารถทรงคุณธรรมของพระองค์ได้เลยอะแบกไม่ไหวจะให้แบกตั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดไหวไหมโอ้ไม่ไหวสามรอสิบเอ็ดไม่ไหว ข้อวัดอีกนับไม่ได้ไม่ไหวกลัวอาเลยทรักลัวจะรวยใช่มทั้งทั้งที่แล้วถามว่าได้อัทธรตบ้างไหมรักษาศีลกันมาได้อัทธรตของศีลไหมได้ธรรมารตไหมได้อัทธรตได้ธรรมารตของศีลไหมล่ะ ถ้าไม่ได้เราไม่เคยบริโภคเบนจากโครถเลยลดของน้ำนมโคเลยเราไม่เคยได้รับความสุขจากการมีศีลเลยอะ่ะ ท, ท, ทั้งๆที่ศีลเนี่ยถ้าถ้าเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะทำให้จิตใจเราเกิดปราโมทปีติประสิทธิความสุขจะเกิดความเ อ, อิบอิม่มเอามีศีลไปแล้วเนี่ยเราได้ความสุขอย่างนั้นไหมล่ะได้ไหม ได้ไม่ได้มีศีลนั่นได้ความสุขไหมถ้าได้ความสุขมันต้องยิ้มมันต้องผ่องใสมันต้องปลาโมดมันต้องปีติมันต้องมีความสุขมันไม่ใช่มันนั่งเศร้าหมองกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคนมีศีลก็ผ่องใสน้าตาไหลเี้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่คิดใหม่ ใชมศีลต้องมีความสุขใช่ไม่รับเพราะศีลมันต้องไม่เดือดร้อนคิดถึงศีลแล้วไม่เดือดร้อนพร้อมที่จะตายไหมถ้าคนมีศีลได้แล้วตอนนี้พร้อมตายกันไหมเนี่ยที่ปัญหาคือว่านี่ไงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งพระธรรมโดยพระกรุณาเหนื่อยพร้อมพระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายในสังสาระไหม นายในสังสาระไหมสังสารวัตนี่พ่อเจ้าเบื่อไหมเห็นโทษไหมเห็นด้วยความเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเห็นด้วยอหละนั่นแหละพระปัญญาแล้วเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีนี่เราเห็นแล้วใช่ไหมพเราไม่มีปัญญาปัญญาจะเกิดได้ต้องมี มีอะสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องมีศีลศีลจะเกิดได้ต้องมีศรัทธาอะไรก็ว่าไปเห็นไหมแล้วอดกัน้นอดกั้นต่อสังสารทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยเบื่อหน่ายตั้งแต่นู้นก่อนสุเมธาดาบดอีกสิบหกระสงไข่อะตอนจะเป็นสุเมธดาบดเนี่ยเบื่อหน่ายตั้งสิบหกระสงไขามาแล้ว คิดในใจนะ่ที่เบื่อหน่ายมาเนะ่ยเจ็ดเปล่งวาจาในการเบื่อหน่ายเก้าเป็นสิบหกแล้วจะได้ตัดสู้ต่อพระพักเนะ่ะฟังไม่ถึงสี่บาทคาถาฟังแค่สองบาทคาถาก็บรรลุแล้วปัญญาอย่างนั้นเนะ่ะแต่ทำไมต้องอดกลั้นต่อสังสาระทุกข์เพราะมีกรุณาเห็นไหมเห็นคุณท่านไหม อดกันต่อการเห็นไม่เห็นเบื่อไมเ่เบื่ อ, อพ้นทุกได้ไหมพ้นแต่ทําไมไม่พ้นเพราะหมากรุณาเห็นมั้ยยังเห็นพุทธคุณไหมเห็นไหมเหนี่ยกรุณาใครเออหนี่กรุณ า, าพวกเราเนี่ยจะได้มาฟังจะได้มาตั้งใจจะได้พ้นทุกแล้วเราเข้าใจพุทธประสงค์บ้างหรือยังเนี่ย ที่พูดพยายามไล่เลียงมันเนี่ยเข้าใจพุทธประสงค์อย่างที่เราจะไปเรียบเรียงในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้มันจะบรรจงเขียนสังสารวัฏบรรจงพูดเรื่องสังสารวัฏในการเห็นโทษเห็นภัยจริงๆตอนนี้มันไม่หยุดแล้วเล่มนี้ออกมาคนอ่านต้องสะดุง้งสะเทือนใช่ไหมต้องอย่างนั้นคนต้องกลัวภัยได้จริงๆ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 กำหนดรูุปาทานขันห้าวันนี้คือรูปนี้คือเวทนาสัญญาสังขยารวิญญาณ น, นี่คือขันธาตุยายตนะที่หมุนไปในสังสารวัตเนี่ยเห็นสัตว์โลกที่กำลังประสบความทุกข์ในสังสารวัตจากการไม่ยอมขาดลงของกระแสขันอย่างทาวรไม่ปรินิพานย่างทาวรของขันธาตอยายตนะของสัตว์โลกเนี่ยด้วยพระปัญญาด้วยพระปัญญาคุณ แล้วก็ทรงปลาทรงปารบทรงบำบัดทุกข์ของผู้อื่นบำบัดชาติทุกข์ชราทุกข์มราณะทุกเป็นต้นของบุคคลอื่นเนี่ยนะด้วยพระกรุณาเห็นตรงนี้เราจะได้เห็นโอ้โหใช่ไหมถึงบอกว่าละที่จริงเนี่ยเวลาสวดเนี่ยทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาบรบารมีปัญญาวิรยิยะขันติสาจาัจจะทิ่ฐานเมตตาและก็อุเบกขาใช่ไหม เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไจะต้องมีปัญญาการุณาเป็นตัวเนื่อ ง, องทุกบา ร, รมีเลยเมตตาการุณาเนี่ยนะที่จริงมีครบแหละยกกรุณามาก็คือพรห ม, มีหารครบยกเพราะปัญญามาด้วยเป็นตัวเกื้อนหนุนบา ร, รมีเหล่านั้นทีนี้ทรงบ่ายหน้าหรือบ่ายพระพักต่อพระนิพพานด้วยอะไร น้อมหาพระนิพพานน้อมหานิสระาวิเวกถามว่าคิดจะปรินิ้พานเนี่ยเมื่ อ, อยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรับอยู่ความคิดของท่าน่านพระพุทธเจ้ามาเนี่ยห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบยี่สิบเจ็ดพระองค์ ผ่านมาเนี่ยยาวนานมากไม่ใช่ผ่าเราก็ผ่านมามากกว่านี้แต่เราผ่านมาแบบไม่ได้ไม่ได้ใยหน้าเข้าหาพระนิพานอย่างท่านท่านคิดจะปรินิพานตั้งแต่ยี่สิบอสงไขยที่แล้วโลกใบหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับโลกเนะ โอกาสโลก น, นี่นะดาวแต่ละดวงในจักรวาล น, นี่นะโกดขุนตั้งอยู่ดับเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวไหลแ ต, แตกดับไปทั้รอบรอบใหญ่เงี้ยก็เรียกหนึ่งสงไขแล้วกลัวโลกจะแตกดับแต่ละใบเนี่ยเรามาเกิดกี่ล้านกี่โกดชาติโลกนั่นแหละคือแตกดับมาแล้วยี่สิบรอบ ยี่ถือประสงค์ไขผ่านพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานท่านคิดบายหน้าเข้าหาพระนิพพานท่านจะนิพพานในโลกใบไหนก็ได้เห็นไม้มแต่ท่านนิพพานไม่ได้เพราะการุนาต่อใครต่อเราไงเพราะท่านเห็นโทษของสังสารวัฏด้วยพระปัญญาบายพระภาพตอบ การปรินิพานะนั้นท่านไบพระพักบานหน้าในการที่จะเข้าหาอนุปาทานปรินิพานเะนี่ยไปะจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือก็บรรลุพระนิพานนั้นด้วยพระกรุณานะไหมพระพระในการที่เดินตามสิกขาสามก็กรุณานั่นเลยข้ามด้วยพระองค์เองด้วยพระปัญญาใช่นไหมข้ามจากชาติทุกชรลาทุกมรณะทุกข้ามจากความโศกความลำเลียด้วยพระปัญญานะั้นยังคนอื่นให้ข้ามด้วย กรุณาใชท่านปฏิญญาเนี้ว่าเราข้ามได้แล้วด้วยปัญญาเราก็จะมีกรุณาดึงคนอื่นข้ามมาด้วยเราพ้นด้วยปัญญาจะดึงคนอื่นในพ้นด้วยเราข้ามโอคาได้ด้ว ย, วยปัญญาจะดึงกรุณาคนอื่นดึงคนอื่นในข้ามโอคะอย่างนี้เป็นต้นสาเร็จพุทธภาวะด้วยพระปัญญานาะ คือสำเร็จเป็นพระพธเจ้าด้วยปัญญาเนะแล้วก็สำเร็จพุทธกิจด้วยอหละพระกรุณาปุกพันเหพินตาปาตันจ่าสายันเหดมาเดสนังปะเทโสพิกุโอและโอวาทางนะังอัตตะเตเ ท, ทว ป, ปันธนัง่ไหมเป็นต้นเนี่ยการที่สำเร็จพุทธกิจทำแบบบริบูรณ์ถ้าไม่มีกรุณาพราะองค์จะทำอย่างนั้นหรือกรุณาโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้บุญทั้งหลายเนะ นั้นบายพระพักสูดสงสารโดยกโดยคราวเป็นพระโพธิสัตว์ภูมิโดยพระกรุณาไม่ยินดีในสังสารด้วยพระปัญญาถามว่าในกรณีแห่งการบ่ายหน้าตูดสงสารวัดเรานี่แหละจะเดินไปในสังสารวัดเพื่อสร้างบารมีสิบผูกบารมีสิบไว้ในตนแล้วผูกสัตว์ไว้ในตนในสังสารวัดด้วยกรุณาเนะบ่ายหน้าเข้าหาสังสารวัดเลย เหมือนไม่กลัวกับสังสารวัตรเนี่ยเอาแต่คนที่จะบ่ายหน้าเข้าหาสังสารวัตรได้เนี่ยผูกบารมีสิบไว้ในตนไหมแล้วเราเนี่ยไม่ยอมผูกบารมีสิบไว้ในตนรึวะเวลาเดินสู่สังสารวัตกันทั้งนั้นนี่เนี่ยทานบารมีมีไหมเอาถูกนะไม่มีตนามาน่ที่ตินะถึงจะเป็นทานบารมีนะเอาศีลบารมีมีไหมเนคขมะมีไหมปัญญามีไหมวิริยะคันติสัจจ์อธิฐานเมตตา เบขามีสิบประการไหมมีอุปบา ร, รมีอีกสิบไหมป ร, ม, ปรมัตถบารมีสิบไหมถ้าจะเล่นกับสังสารวัตต้องเล่นอย่างพระโพธิสัต์เล่นน่ะนี่เราไม่ยอมเล่นอย่างท่านน่ะแล้วไม่ยอมเล่นอย่างท่านเพราะเราไม่มีปัญญาท่านถึงบอกว่าเล่นสังสารที่พระโพธิสั์ท่านเดินไปในสังสารละเดินไปในสังสารวัตรแบบเป็นบุคคลที่ไม่กลัว สังสารวัฏเพราะพระองค์มีกรุณาถ้าไม่เดินยาวนานอย่างนั้นก็บ่มบารมีไม่เต็มและเดินยังไงจับไม่ให้ยินดีในสังสารวัฏสําคัญมากเดินยังไงแล้วบอกว่าสังสารวัฏนี่ยาวนานใช่ไหมอะคุณเดินไปเนะี่ยอัศาธาทของสังสารวัฏเยอะเอาสิถ้าคุณไม่มีปัญญาเนี่ย คุณจะไม่เห็นโทษของสังสารวัตอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในสังสารวัตเนี่ยมันจะไปได้ยังไงเพราะปัญญาคุณมองไม่ทะลุคุณอ่านอัตถะของสังสารวัตรไม่ออกคุณตีโจทย์ของสังสารวัตไม่ออกคุณตอบโจทย์ของสังสารวัตรไม่ถูกคุณพิจารณาเห็นโทษของสังสารวัตรไม่ได้ในที่สุดจริงๆคุณก็จะไปยินดีในสังสารวัตรเพราะโมห oh ะคุณเยอะ นะักคนที่จะเดินในสังสารวัฏต้องเดินอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเดินเข้าหาสังสารวัฏเนี่ยในคราวที่พระโพธิสัตว์นั้นอ่ะด้วยภูมิของมหากรุณานท่านเดินเลยท่านกล้าเดินเพราะท่านผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนตูมผูกสัตว์ไว้ในตนตูมแล้วเดินให้เต็มสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับท่านมาได้บุญของท่านมาแล้วท่านก็จะได้เพิ่มบา ร, รมีท่านถ้าเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยทานบา ร, รมีก็เพิ่มไหม ศีลเพิ่มไหมเนคคมะเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาวิหารเพิ่มไหมถ้า พ, พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านฉลาดคิดเกี่ยวข้องกับใครท่านเพิ่มบารมีได้เราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับใครเสียบารมีเนี่ยเสีย ห, หายเลยหรือ้ปาศีลก็เสียทานก็เสียเนคคมะปัญญาก็เสียเมตตาก็เสียเสียหายเพราะเราไม่ได้ ไม่ได้บ่ายหน้ า, ส, ส, ส, า, ส, ส, ส, าสู่สังสารสู่สงสารสู่สังสารวัตให้ถูกสัตว์โลกเนี่เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสังสารวัตแต่หันหน้าสู่สังสารวัตรสเบียงไม่พร้อมไม่มีอาวุธไม่มีไม่มีบารมีงั้นต้องดึงต้องผุก นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะผูกบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบและประมาจารย์ธรมบาลสิบไว้ในตนดีแล้วเดินเข้าหาสังสารวัตรมีกรุณาต่อสัตว์แล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในตนด้วยกล้าทําำเลยละถ้ากล้าทําคือพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ยินดีด้วยเอาดิจะไม่ยินดีในขั น, นยตนะธาตุที่กําลังเกิดขึ้นสื่อต่อเป็นไป และจะไม่ดนดีของการเวียนไหวาตายเกิดด้วยแต่จะยินดีในอนุปาทาบรลนิพานเท่านั้นนั้นต้องผูกอนุปาทาบรนิพานไว้ให้มั่นอะไรจะผูกกับปัญญาต้องเกิดชัดเห็นโทษของสังสารวัฏไหมเห็นคุณของพระนิพานไหมถ้าอย่างนี้เดินไปเถอะ ไปอยู่หน้าที่ไหนก็เป็นการไปสร้างบารมีแม้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไปสร้างบารมีในภพของสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภพของพญา น, นาคก็ไปสร้างบารมีในภพของพญา น, นาคแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปสร้างบารมีในภพของเทวดาใช่ไหมไม่ต้องกล่าวถึงการเป็นมนุษย์เพราะท่านผูกบารมีสิบไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนเดิแล้วเนี่ย ก็บ่ายพระพักสู่สงสารในคราวเป็นพระโพธิสัตว์ภูมิด้วยพระมหากรุณาไม่ยินดีทรงไม่ยินดีในสังสารหรือสังสารวัตนี่นะด้วยพระปัญญาโอเห็นชัดเลยนะตรงนี้ไงตอบโจทย์คำว่าสังสารวัตรเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ไม่ทรงให้คนอื่น หวาดกลัวด้วยกรุณนหยถามว่าแล้วถ้าจะเดินไปในสังสารวัฏเนี่ยจะเดินไปให้เขากลัวเราไหมไม่ได้ต้องจเจริญพรมวิหารต้องจเจริญกรุณาไม่ให้เขากวาดกลัวไม่ให้เขาสะดุ้งไม่ให้เขาทุกข์พมีกรุณานั่นแหละไม่ให้คนอื่นหวาดกลัว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 จะกลัวมหาโจรไหมกลัวไหมทำไมไม่กลัวมหาโจรผู้นี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยมีอุปการะคุณในสังสารวาัฏท่านเห็นได้ปัญญาท่านจะไปกลัวอะไรและท่านผูกสัตว์นั้นไว้ในตนแล้วท่านเห็นเหมือนลูกของท่านก็ะดาใช่ไหมเหมือนท่านเห็นปัญามานที่กาลังเอาอารวาทท่านเหมือนลูกเหมือนเด็กทารก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 ไม่กลัวไม่ให้คนอื่นหวาดกลัวเพราะพระองค์มีมหากรุณาไม่ทรงกลัวผู้อื่นด้วยพระองค์มีพระมีปัญญารักษาผู้อื่นด้วยอะไรด้วยกรุณานะกรุณาเขารักษาพระองค์เมือ่อเมื่อรักษาพระองค์ด้วยพระปัญญาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยอันหนึ่งนะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกรุณาพระพุทธเจ้าจะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทํำ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 เป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วยพระปัญญาความที่พระองค์เป็นผู้อ่อนโยนด้วยอะไรพระพุทธเจ้าอ่อนโยนมากพระมหากรุณาไม่มีความหยิ่งเพราะมีพระปัญญาความอุตสาหะหรือความอนุเคราะห์ที่เกิดขึ้นในสรรพสารทั้งหลายทําไมพระพุทธเจ้าต้องอนุเคราะห์จัดโลกนั่นคือพระมหากรุณาแต่เพราะพระองค์เนี่ยนะเพราะทรงไปตามพระปัญญา ฉะนั้นจึงไม่ใช่มีหาไทยไหน่ายในสัตว์ทั้งปวงก็หาไม่ได้มีพระไทยไหน่ายในธรรมทั้งปวงด้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระไทยไหน่ายในธรรมทั้งปวงนั้นด้วยปัญญาแต่เพราะไปตามพระกรุณาจึงไม่ใช่เป็นไปเพื่ออนุคอสัตว์ทั้งปวงก็หาไม่ได้พระมหากรุณาของพระผู้มีพระเจ้านะั้นเนี่ยว้นจากความสเสน่หาและความโศกชั้นใดพระปัญญาก็พ้นจากอาหารการเมืองการชันนั้นเหมือนกันบัณฑิตนะี่ยเพิ่งเห็นโดยครอบประพฤตินะอันวิเศษสุดอย่างเยี่ยมก็ชำระ และการให้หมดจดก็ถึงพร้อมดีวิชาและจรารณาเป็นต้นเขาบอกว่าถ้าเราเห็นคุณของพระประมาสศศสดาอย่างนี้ก็รีบชำระตนให้บริสุทธิ์หมดจดเสียเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะเข้าถึงอนุปาทานปานิพานเป็นต้นอันนี้ยอ่ยอๆแค่นี้ก่อนเนาะอย่าพึ่งไปขยายเยอะอต่อไปก็คือสุขโตนสุขโตนี่ไม่เอามากแล้ว ในการไปถึงบทที่จะสรุปก็คือโลกอวิถูใช่ไหมรู้รู้แยกโลกก็คือแปลว่ามีการเสด็จไปงามนี่นะสุขตะนี่นะสุขตาที่ว่าเสด็จไปงามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าสุขโตสุขโตเนี่ยเป็นผู้เสด็จไปอันงามสุขโตเสด็จไปสู่สถานที่อันดีงามสุขโตพรอเสด็จไปแล้วโดยชอบสุขโตพราะเสด็จพรอตรัสโดยชอบสุขโตพราะเป็น การเสด็จไปถึงที่งามเนาะสุขโตสูตนี้แปลว่าดีแปลงงดงามคตะแปลแปลแจ้ในความหมายว่าทางไปเนาะคาเตทีเตเป็นต้นเหตุการเดินไปการยืนเป็นต้นเหล่านี้พระบรมศ า, าสดาเนี่ยเสด็จเป็นสุขตาเพราะเสด็จเป็นงามเนาะบริสุทธิ์ก็ามบสุทธ์มีได้โดยปราศจากโทษ ด, ดังที่ได้กลา่าวงามในที่นั้นก็คือเสด็จไปตามมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปฆาสัมมาวาจาสัมมารกรรมตนะเนาะ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 เด็กก็ไปเกิดเป็นเปรตเด็กก็ไปเกิดเป็นสุรากายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผมงามที่ไหนแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเดินไม่งามไปไม่งามทวเจ้าไม่ได้ไปในสังสารวัตรแล้วพระเจ้านั้นไปแล้วเสด็จไปสู่สถานที่ที่ดีแล้วไปสู่วิวัตตะไม่ใช่ไปสู่สังสารวัตรพระเหล็กสุคติจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมสุโตเนี่ยเป็นสุคติจริงๆนะ จงไปสู่สุคติสุคติเถิดไปสู่ที่ชอบอะที่แบบนี้สิเป็นที่ชอบไปแล้วไม่ต้องกลับอย่างเราไม่ได้ไปกันจริงเนะี่ยเราลากันจริงไมเนยเวลาตายเนะี่ยไปจริงไหมไม่จริงเดี๋ยวมาเหรอาบางทีเนี่ยแม่ไปก่อนนะ ล, ลูกลูกก็ร้องไห้แม่อย่าไปอย่าไปเนะี่ย ตายปุบเนี่ยมาเกิดอยู่บางทีนู้นเนี่ยแต่ลตาบ้านแหละกลับมาแล้ว <c oughs> ไปไปจริง <c oughs> แล้วงามที่ไหนแล้วกลับมาตรงนั้นถ้ามาตายแล้วมาเกิดอยู่ในบ้านควรจะเป็นแล้วจะเข้าท้องใครีในบ้านเนี่ยก็ในบ้านเราไม่มีใครตั้งครันเลยก็ใใอใบชาสั์าสทางนั้นตั้งคันรออยู่เนะเอาสิอบชาสัดทางนั้นทําการประสมพันธุ์กันอยู่ตั้งคันรอถ้าเราห่วงบ้านนะเราจะกลับมาที่บ้านนะสิเ้าจะมาเข้าท้องใคร เสร็จเลยน่ากลัวไหมล่ะล oh wow. ูกยังร้องไห้ไม่รู้เลยยอมแล้วแม่กลับมาเกิดแล้วเนี่มันทีเป็นจิตเจาะจิงจกร้องทักแกลกแกลกจะบอกว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วไม่รู้หรอกลูกก็ไม่รู้หรอกอ๋อแม่ไม่รู้หรอกเผลอๆไล่สรงน้ําตาไหลเอะไรกันลูกเตียววิ่งหนีเพราะมาในสภาพที่น่าเกลียดต่แล้วเป็นงูเขียวอลูกกลัวไหม เป็นงูงเหา่าโอ้ยทุบตายเลยนากลัวโยมยีงไงไม่สุขโตรหรอกไปสู่สังสารวัสน่าสลดใจที่เราเลี้ยงดูปูเสียเข้ามาอย่างเดียแต่พอเราเปลี่ยนพบหนยแล้วก็ทบุบเราตายโยมทุบเลยแหละก็มีสามีที่ตายไปใช่ไหม แล้วมาเกิดเป็นงูเขียวอยู่ที่บ้านภรรยาเดินๆกระโดดใจโอ้โหทุบตายเลยตายจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นสุนัขอีกปวนอยู่ในนายยมนะวิ่งพันจะบอกให้เขารู้ว่า น, นี่ไงแล้วรักออายเขาแล้วเกินทําไงเอาไป่วงน้ําตายสูงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนยตายทั้งหลายอาถรพาจนมาเกิดเป็นลูกในท้องพอข้อดังกมาแล้วลึกชาติได้ ใช่ไมประจําความได้ก็เล่าให้ตาฟังร้องไห้กันทั้งตาทั้งหลานออกบทได้ได้ไปรู้ไปแล้วนี่ไงสงสารวัใดในธรรมบทมาจําที่มามเอ อ, อเ อ, อ, เ อ, อตรงนี้รู้สึกยาของยมปานีเนี่ยเอามาเขียนอยู่คณะสายทําอืมมีโทร ถ, ถามยมปานีทได้ นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้นั่นแหละสังสารวัตรอืมอ่าสรุปแล้วก็เอาสังสารวัตรนี่ขนาดเดียวกันกสังเสริพระพุทธคุณด้วยต้องสังเสริใช่ใช่ใคำว่าสังสารวัตรเนี่ยมันจะเป็นการช่วยูตใชแน่นอนแน่นอนใช่ใช่ ใครเราเป็นคนเห็นสังสารวัตรใช่ไหมถ้าไม่สรรเสริญพระเจ้าแล้วเราจะไปเขียนสังสารวัตรได้ยังไงก็เขียนเขียนไปตามนั้นก็จะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที่ั้งหมดเลยตรงนี้ทิ้งบอกทึ้งอยากให้เราได้เข้าใจว่า เรายิ่งเข้าใจสังสารวัตรเราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นถ้าเราไม่เห็นสังสารวัตรเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าการเห็นสังสารวัตรโดยไม่การไม่เห็นคุณของพปประพุทธเจ้าไปวันผิดทางแล้วมันผิดทางแล้วมันเดินผิดแล้วการมาต้องดันการนําเสนอให้ชัดอย่างเนี้ยแม้การเจริญกรรมฐ า, านทุกประเภทนะถ้าไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าแนะถามว่าคุณเอากรรมฐานของใครมาบริหารคุณกลไปถามใจใคุณใหม่ ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจคุณแล้วคุณผิดทางแน่นอนหรือเปล่าอะไรนี้นะก็ก็ให้เข้าใจตรงนี้พอเข้าใจตรงนี้มันจะได้ชัดใี่ไหมต้องนอบน้อมไม่ใช่ใช ไ, มไม่ใช่ต้องต้อ ง, ต, องต้องให้เห็นทุกอาถะ ต้องเห็นทุกอัถาและพยานชนะว่าพระพุทเจ้ามีคุณอย่างไรใช่ไหมทุกคนจะได้เจริญทุกข์สัตว์ด้วยในขณะที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธใช่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุสังสารวัตรพระพุทธเจ้าเห็นเห็นทุกทุกตัวทุกก็คือตัวสังสารวัตรเหตุของทุกก็คือเหตุของสังสารวัตความดับทุกขความความไม่เป็นไปของเหตุของสังสารวัตรความที่สังสารวัตรไม่เดินก็คือนิโรธปฏิปทาถึงนิโรธก็คือมรณะ ต้องเอาสังสารวัตมาทำอริยสัจให้ชัดนี่นต้องนี่นต้องเห็นถ้าไม่เห็นอันนี้เดินสุกโตถ้าไปดูโลกวิถูชัดกว่านี้นี่คือรู้สังสารวัตอย่างแจ่งแจ้ง่ไปอยู่ในโลกวิถุตรงนั้นเลยจะชัด ใช่ไหมั้ตรงนี้ต้องต้องต้องมองให้เห็นว่าที่ได้ความหมายถึงบอกว่าสแสดงเหตุนในการไปสู่พรนิพพานนี่นแหละจึงมีคำว่าจริงอยู่นะพระบรมศาสดานั้นเสด็จไปสู่ทิศอันกเกษมทิศที่กเกษมทิที่ปลอดภยัพยพิทิศที่บริบูรณ์ที่สุดได้แก่พระนิพพานคำว่าไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเนะี่คือว่า ไม่กระทาความขัดข้องแม้ในการไปสู่สุขติด้วยไม่มีอันตรายและป่วยกล่าวไปถึงการไปนอกจากนี้แล้วแต่บอกว่าการไปสู่ทิศเนี้ยไม่มีชาติภัยชราภัยมรณะภัยไปสู่พันธิพานณท่านนอกจากนั้นเป็นทิศที่มีภัยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอนุทิศเฉียงทิศเบื้องบนเบื้องต่ําล้วนมีภัยทั้งสิบทิศแต่พันิพานนั้นเป็นทิศที่เกษม เป็นทิที่ปลอดภัยเป็นทิที่ปลอดโปร่งพ้นจากชาติชะลามรณะพยาธินี่ไปสู่ทิที่ดีอยู่สุขโตสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะไปที่ไหนไปผู้ไปแล้วไปแล้วดิวอักถะก็ไม่ถึงนันสุขโตเพราะมีการเสด็จเป็นงามเนาะทีนี้พระบรมศาสดาประทรับ น, น, นั่งอาสนะเดียว ก็เสด็จไม่ประทับขัดข้องคือไม่ติดขัดด้วยมรรคทั้งสี่ถามว่าพระพุทธเจ้าเวลาบรรลุเนี่ยท่านนั่งอาสนะเดียวที่รัตนบัลลังก์ไม่มีอาสนะที่สองอยูเลยนั้นในมรรคทั้งสี่ท่านไม่ขัดข้องเลยอ่ะท่านเดินมรรคทั้งสี่โสดาบันมรรคสกาธาคาพิมกัมกนาคามรรคอรหัตมรรคนี่ท่านเดินคล่องมากท่านเดินคล่องมากเพราะพระ อ, องค์ได้เฉพาะแล้วด้วย อ, าอยํานาจแห่งขีปนาวญญาตรัสรู้เร็วพันใช่ไหม เขบูมีพระเจ้าไปเด็สืตอกานั้นไดก็ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์แก่การไปทั้งหมดและย่อมนำมาซึ่งสมบัติอันยอดเยี่ยมทั้งหมดและการเสด็จไปนั่นแหละจึงเรียกว่างามงามงามากพุทิยาประเภทฉีปาพิญญาเนี่ยบรรลุนี่นาะรวดเร็วมากคล้ายๆว่าจาะการบรรลุมาตั้งนานแล้วเดินเวียนมาตรงนี้ตั้งน้นแล้วไม่เข้าประตูนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าความพรอมูยังไม่เกิด เพราะจะจะเข้าประตูวาคณูเ น, น่ยต้องเสียสงไข่ที่ผ่านมาแต่ไม่เข้าเพราะพระเจ้านั้นเสด็จไปอย่างนั้นเนะ่ยเพราะการที่ท่านบอกสุขโตมีการเสด็จไปอันงามเนี่ยนะนะสู่ศัพ์เนี่ยแปลว่า ง, งามเนาะทีนี้สุขาโตเนี่ยเสด็จไปสู่ที่ดีนะนะเนี่ยเนี่ยคําว่าดีเนะี่ยดีโดยส่วนเดียวนะเพราะเป็นความสุขอย่างแท้จริงเหตุที่ว่ามีความเป็นไปแห่งสังขารเขาบอกว่ามีความเป็นไปแห่งสังขารที่ไม่ดีคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบอกว่า พระพุทเจ้าไปเดเสด็จไปสู่ที่ดีเนี่ยคือไปสู่นิพพานที่เป็นอมตะอมตะคือพ้นจากชาติชราพยาธิเนาะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นอนิพพานนี่นเป็นความสุขอย่างยิ่งสัมมานแปลว่าดีการไปที่ดีได้แก่การไปของท่านผู้ไม่ถูกปฏิปักษข้อพ่อเงำไม่ถูกราคาโทสะไม่หวนกลับมาสู่ราคาโตสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิริชาริการโนตปะได้แก่ไม่กลับมาเดิวหน้าเป็นความฟุ้งซ่านอีก ของกิเลส ท, ที่ละได้แล้วเพราะละกิเลสได้แล้วนะั่นไม่กลับเข้าหากิเลสอีกส่วนคําว่าเอตังประโยคเตนะเตนาตเตนะมัคเคนปะปะฮีนะกิเลสสานังปุณะอปัจะคัมมณั ง, งการไม่หวนกลับมาสู่กิเลส ท, ที่ทรงละได้แล้วด้วยมัคคือถ้าได้โซดาปริมัค ก, ก็ไม่กลับไปสู่กิเลสของบุญชนได้นาคาได้อะสะกาทาคัยมิมัค ก, ก็ไม่สู่หันไปสู่กิเลสของโสดา อาคาขก็ไม่หันไปสู่สกาธาอาตธรรมาก็ไม่หันมาส่วนะั่นเห็นไหมดีจริงๆสมาปฏิบัตินะไม่วิปริตทําให้บรู้สมาสัมโพธิญาณก็ทรงทําประโยชน์สุขแก่โลกทั้งปวงนั้นท่านถึงแสดงบอกว่าปฏิบัติเพื่อการตัดรุ่นยิ่งใหญ่ได้ภาวะที่นําไปประโยชน์สุขแก่สัตว์โดยไม่มีการย้าเนี่ยไ ม, ไม่จําแนกว่าสัตว์นะว่าเป็นใครนะพระองค์ให้หมดเลยนะและอย่างหนึ่งก็คือเสด็จออกจากสัตตัฏฐิถีแล อุเฉตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงและขาดศูนย์การไปนะบอกว่ า, าแสดงถึงการไปแห่งปฏิจจุบันบบอกเสด็จไม่เข้าไปใกล้สุขการมาสุขขาริการนิโยกแล้วก็อัตตกิรมฐานินโยกเนาะประตานต่อมาก็คือการกล่าวดีเนี่ยคําว่ากล่าวดีเนี่ยพุทธเจ้าต้องสุดยอดจริงพุทธเจ้าเนี่ยในวาจาหกประการเนี่ยคําว่ากล่าวดีในที่นั้นหมายถึงบอกว่า ที่จริงคําว่าตัตระนี่ท่านโยกโยกอะไรโยกสุดตัดฐานนีสุดตัดเสวภาสนะีในการกล่าวที่สมควรด้วยเนฐานะที่ควรเนหะ็นตัตระนี่เป็นสัตมิวิพัฒน์ลงในในอดลงในความหมายบอกว่าพึงให้สําเร็จนะีคือให้ในความหมายพึงให้สําเร็จประโยชน์คําว่าไม่จริงก็คือไม่มีเนื้อความที่จะเป็นจริงอยู่ความที่วาจาจะไม่จริงหรือเป็นจริงเนี่ยก็มุ่งเนื้อความเป็นสําคัญ วจานั้นนะะมุ่งเน้อความคําว่าไม่แท้เป็นไวัยพจน์ของคําว่าไม่จริงประกอบด้วยอนัตถาก็คือไม่ประกอบไปด้วยอนัตถาก็คือไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เนาะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมก็หรือเป็นไปในสัมปรイยาภพเชื่อว่าประกอบด้วยอนัตถะอนัตถะคือไม่ประโยชน์นำมาซึ่งคือนํามาซึ่งอนัตถะอนัตถะแปลว่าไม่ใช่อัตถะคือเป็นปฏิปักษ์และไม่เป็นอัตถะประกอบไปด้วยอนัตถะ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 เขาเรียกว่าเป็นการกล่าววาจาลักษณะอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าไม่กล่าววาจากี้หรือประเภทที่สองบุคคลผู้กล่าวถึงคนทูศีลด้วยคําว่าเป็นคนทูศีนเป็นต้นกล่าวถึงจันทันว่าเป็นต้นนั่นเองว่าเป็นคนจันทันเนี่ยด้วยไม่มีวินัยเป็นต้นพระเจ้าก็จะไม่กล่าววาจาลักษณะนี้ถ้อยคําแสดงถึงความเป็นสัตว์นรกเช่นพระเทวทัตเกิดเป็นอบายสัตว์เนี่ยพระเจ้าก็รู้การที่จะกล่าวเนาะคำที่กล่าวใน ทำให้โลกลุ่มหลงว่าการกระทําปาณาติบาตด้วยยันวิธีจัดอยู่ในประเภทย่อมน้ำมาซึ่งสุคติเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่กล่าวคําที่ยุยงถ้อยคําที่ถ้อยคําที่เป็นจริงนะแต่ยุยงให้คนแตกแยกกันนพระพุทธเจ้าก็ไม่กล่าวพึงทราบว่าถ้อยคําที่กล่าวก็คือทานศีลเป็นต้นที่ให้เป็นไปในฐานะที่ควรฉะนั้นพระพุทธเจ้านะี่ยตรัสโดยชอบพระพุทธเจ้านะั้นสุขตเพราะเว้นจากถ้อยคําที่ไม่จริงตามที่ได้กล่าว แ ต, แต่คำจริงแท้ประกอบไปด้วยอัถาคือประโยชน์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันชื่อว่าชอบคือดีเพราะเหตุนั้นแหละจึงชื่อว่าดำหลัดของพระเจ้านั้นแหละแม้ไม่เป็นที่รักแก่คนบางคนโดยเพียงแต่ถึงคลองแห่งโซตาก็ชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทีเดียวเพราะสําเร็จประโยชน์ขึ้นนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกฉันพระเจ้าถึงได้นามว่าสุขโตตรงนี้ก็อันนี้จะสี่โมงแล้วเนาะ เลยงั้นก็เดี๋ยวเทยอต่อตอนพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อย่าพูดในเรื่องของโลกวิถีเด้ไม่ก็ต่อได้เลยต่อได้อธิบายให้ได้เลย